พระธรรมเทศนาแผ่นที่68ดลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่7มกราคม2558มีชื่อเรื่องว่าแบ่งปันให้ทั่วถึงวันนี้เป็นวันที่เจ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 นึกย้อนหลังดูไม่เคยที่จะเข้าไปขอว่ากับผมขอนั้นกับผมขอนี้จากลงตาเว้นเสียลงตามาเห็นท่านถามว่าฮเฮยังไงมีสาน้ำไหมต้องการสาน้ำไหมดูนะสํารวจดูนะครับผมพอเสร็จแล้วก็เออมีอยู่กับผมจะกดจุดนั้นจุดนี้แล้วก็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 แล้วก็รู้จักประมาณตนในการเก็บจับจ่ายใช้สอยเพราะบางทีมันก็มีบางทีมันก็จนบางทีมันก็ขาดนะไม่ใช่ว่าจะได้เต็มทุกครั้งมาใช่เหมือนกับน้าโขงนะ้าล้างของเรานะเวลามันมีมันก็เออขึ้นมาเวลามันแห้งเราจะไปร้องไห้ว่าทาไมมันไม่เต็มฝังเหมือนแต่ก่อนบางทีแล้วมันเต็มฝังกัน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 บวชเข้ามาได้ห้าพันษาพอหพันษาแล้วก็กราบลาพระพุทธเจ้าไปบำเพ็ญในป่าคือคือก่อนที่จะออกจากวัดป่าเชตตวันโดยมากพระต้องหพันษาเป็นนิสัยมุตตะซะก่อนที่ท่านก็ไปภาวนาอยู่ในป่าบำเพ็ญไปบำเพ็ญอยู่ในป่าพอไปบําเพ็ญแล้วใจมันถอยยังไงใจมันถอยมันเสื่อมใจมันเสื่อม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 มาล้อมเลยมาล้อมบอกว่าจะออกมารบหรือจะยอบหรือจะมอบราชสมบัติให้แต่โดยดีถ้าจะออกมารบก็มารบได้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องมอบราชสมบัติให้แก่พวกเราคือยื่นคำขาดเข้าไปเลยพระเจ้าพี่ทั้ง99้าบเ้คนทางปโลฮิตตายจานอัมมาศก็บอกว่า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 ขอให้พระเจ้าพี่เข้ามาทุกคนเข้ามาในเวียงหวังจากนั้นก็เปิดประตูเมืองเข้ามาพระเจ้าพี่ใหญ่เขาเข้ามาเข้ามาก็แสดงความเคารพเพราะว่าผู้นี้ได้ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินนั่นแหละพวกพี่ก็ต้องแสดงความเคารพตามขั้นตอนนั่งเรียงลาดับพอเรียงลำดับเสร็จแล้วก็น้องชายก็าบอกว่ากระผมถึง ได้รับเป็นเฉวตสัตเป็นพระเจ้าแผ่นดินได้รับมาแล้วแต่ผมเองก็มอบให้พระเจ้าพี่ทั้งทุกคนมีส่วนแบ่งเพราะผมเองเห็นว่าพวกพี่ก็เป็นลูกของพ่อเหมือนกันมีส่วนที่จะได้ทั่วถึงกันควรจะแบ่งให้ทั่วถึงกันนี้เมืองพหานาศีปกครองเป็นดึง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 พระเจ้าพี่โอ้นี่เป็นผู้มีปัญญาฉเฉลียวฉลาดเชี่ยแปลมเอาเทนะ่านั้นน้องๆทางหลายนะผมเป็นพระเจ้าพี่ถ้าเราจะแบ่งกันก็มันก็เท่านั้นแ่ะเพราะเราไปเป็นลูกของพ่อด้วยกันผมว่าในยกให้น้องซะนะให้น้องปกครองพวกเราออกไปปกครองหัวเมืองที่พระบิดามอบให้แต่ลรหัวเมืองก็แล้วกันนะ่ะ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 แต่มาบัดนี้เธอจะอ่อนแอถอยหลังได้อย่างไรต้องสู้แต่ทำยังไงจึงจะเอาชนะกิเลสภายในใจของท่านให้ได้ต้องสู้อย่าถอย เ, อเพอเกิดมาในในชาติน่้นเราเพียงเป็นบัณฑิตนักปราชญ์ยังไม่ได้พูดตัดสู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างชาตินี้แต่ชาตินี้เราตถาคตเป็นขนาดนี้แลเธอจะไปถอยหลังได้อย่างไร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 หัวพี่ๆทั้งหลายใ น, ในหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาโดยมากจะให้เฉลือเผื่อแผ่กัน ใ, นใครสมควรที่จะได้อย่างไรควรจะแบ่งกันนะอย่างที่พระกุ ม, มารองค์สุดท้ายนะแบ่งสมบัติให้ยอมยกสมบัติให้พี่ทั้งหมดแบ่งกัน น, ะนี่แหละอันนี้ก็เหมือนในหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาในการบริหารจัดการถ้ามันเป็นธรรมแล้วนะี่ย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 นี่แหละอันนี้ก็คือเรื่องการบริหารจัดการต่อชุมชนสังคมประเทศชาติต่อโลกยุคไหนุในยุคสมัยใดถ้าว่ามีการสลื่อเผื่อแพ่มีการมีน้ำใจต่อกันโลกทั้งโลกในยุคนั้นสมัยนั้นก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะที่ได้ยินทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นพระต่อไปก็จะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้า